หลายครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในอยากจะรู้เธอเป็นเช่นไรไม่พบไม่เจอกันนานแล้วเป็นเวลาเนินนา น, านจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไรอยากรู้ กันเอาไว้ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันเหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็หงพานอนก็นลำบันหากเธอเงาให้คิดถึงกันเหมือนอย่งฉัน คนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบ ก, กันวันที่ฉัน แล้วมีระยะทางที่เหมือนกันเราไว้ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันเหมือนอยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลาง คิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ Pop, tear.